ช่วงสองสามวันนี้นะผู้คนจำนวนไม่น้อยก็รู้สึกจิตใจใจคอวันไหวอย่างที่เราทราบนะเมื่อวันซื้อนี้ก็มีแผ่นดินไหวถึงแม้ว่าจะเกิดที่พม่าแต่ว่าก็สะเทือนสะทา น, นไปถึง เชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ลงมาถึงกรุงเทพมันไม่ใช่แค่สะเทือนไหวที่ตึกอย่างเดียวนะแต่ว่ายัางสะท้านไปถึงใจของผู้คนถึงแม้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแต่ก็เริ่มนึกสึกไม่สบายใจมากขึ้นหลายคนก็ เริ่มตั้งคำถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อตอนบ่ายก็มีโยมมาถามตรงๆซื่อๆเลยว่าโลกจะแตกหรือเปล่าเราก็ว่าตมาจะตอบได้นะจริงๆก็ตอบได้นะมันไม่แตกแน่นะถ้าแตกหมายถึงว่าปริล้าวออกมานี่คงไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ถามว่าโลกาวิ น, หนาหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจ ต, ตามสื่ออินเทอร์เน็ตนี่ก็มี การส่ง เ, เรียกว่าอะไรคำทำนายนะต่างๆนานาจากครูบาอาจารย์ท่านนี้บ้างท่านโน้นบ้า ง, างก็โดยแล้วแต่ชวนให้ตื่นตกใจได้ง่ายบางท่านก็บอกว่านะน้ำจะท่วมกรุงเทพนะก็จ ะ, จะถูกทำลายหายไปจำนวนไม่น้อย ที่จริงเรื่องนี้ก็มีคนพูดกันมานานแล้วนะว่าเมืองไทยเราก็เหมือนกับประเทศต่างๆที่อยู่ริมทะเลหรือมีติดกับทะเลนะพอถึงช่วงถ้าเกิดโลกร้อนมันมากๆเข้าเนี่ยก็จะเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน้ำท่วม ยิ่งมาเกิดเหตนะุที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะแผ่นดินไหวหนักมากนะหรือ9ลิตรแล้วตามมาด้วยสึ น, นามนะิกวาดเมืองบางเมืองนี่หายไปกลายเป็นซากหรือกองขยะผู้คนศูนย์หายกันไปเป็นหมนะื่นมากกว่าเมืองไทยเมืองไทยเขาที่แล้วเจอสึนามิเขาไปตายไปห0 0พัน แต่นี่ที่ปุ่นนี่เหยียบสองหมืนอาจจะเหยียบสองหมืนแล้วก็ยังหนักกว่านั่นก็คือหรือว่าที่ทําให้คนไทยตื่นตกใจมากก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียรนะ์ที่ไม่สามารถจะควบคุมได้แม้กระทั่งตอนนี้กับมันตะลังสีที่แพร่กระจายออกมาก็ทําให้เกิดข่าวลือมากมายนะว่า มันจะมาถึงเมืองไทยหรือเปล่านะววความมูยไม่หายความคลาย ก, ก็เข้ามาแทรกนะก็คือนะเกิดแผ่นดินไหวเข้ามาอีกนะทั้งหมดทั้งเรื่องราวอย่างนี้มันก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเกิดความตื่นตระหนกอกสัน่นขวนแขวนะก็เรียกว่าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคิดหาคนทางว่าจะย้าย บ้านย้ายภูมิลำเนานะมาอยู่ที่สูงบางคนอยากจะย้ายจากกรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่เชียงรายพอเจอข่าวแผ่นดินไหวเข้ามารู้ว่าเนะชียงใหม่เชียงรายมันอยู่บนลอยเลื่อน4 5่ห้รอยเลื่อนเข้าไปก็ยิ่งตื่นตกใจแล้วจะไปอยู่ไหนกันนะกรุงเทพก็ไม่ปลอดภัยเนะชียงใหม่เชียงรายก็ดันมันมีนมเรื่องแบบนี้ ก็เล็งมาที่ชายภูมิแล้วเนี่ยนเพราะไม่มีเรื่องแผ่นดินไหวไม่มีเรื่องห่างไกลจากเรื่องสึนามินก็ขี้เกินไปต่างๆนานาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามองด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยให้ภัยพิบัติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ําท่วมหรือว่าสึนามิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับ ใจวิบัตินะภายพิบัติเนี่ยมันไม่ร้ายแรงเท่ากับใจที่วิบัตินะใจวิบัติเนี่ยนะถ้าใจวิบัติแล้วนี่มันเกิดความเสียหายมากมายนะใจวิบัติหมายถึงอะไรใจวิบัติหมายถึงใจที่มันผิดเพี้ยนหรือว่าใจที่ มีความคิดร้ายถูกครอบงำด้วยความโกรธความเกลียดหรือว่าความโลภความเห็นแก่ตัวใจที่วิบัตินี่มันก็สามารถจะทำให้มนุษย์นี่ไม่ต่างจากสัตว์ได้แล้วก็สามารถที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันแต่ถ้าว่าใจไม่วิบัติแล้วเนี่ยแม้จะเจอภัยพิบัติแค่ไหนเนี่ยก็ยังพอจะประคับประคองกันไปได้อย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ ช่วงที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะก็ความเดือดร้อนก็มากมายแสนสาหัสนะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องดีๆที่ผู้คนนำมาพูดกันด้วยความชื่นชมก็คือว่าคนจำนวนไม่น้อยนะคือคนญี่ปุ่นนี่เขาก็ยังยังรักษาวินยัยยังมีน้ำใจต่อกันที่เห็นง่ายๆคือว่า เวลาเกิดภัยพิบัติขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการปลนร้นสะดมนะไม่มีการาช่วยโอกาสนะที่จะกระหน่ำซ้ำเติมผู้ที่เดือดร้อนมาเทียกับเมืองไทยแล้วนี่มันตรงข้ามนะบางทีรถชนหรือว่ารถประสบอุบัติเหตุเนี่ยคนขับผู้โดยสาร ก็เจ็บป่วยน ะ, ะล้มเจ็บช่วยตัวไม่ได้ผู้คนที่อยู่สองข้างทางแทนที่จะมาช่วยเหลือนะกลับมาทึงกลับมาลุมทึงนะมาดึงเอานาฬิกาบ้างสร้อยคอบ้างเอาเงินทองบ้างด้วยความสาคัญว่าอาจจะด้วยความสำคัญว่าคนเหล่านั้นตายแล้วนะก็ ถือเอาเป็นของของตัวซะเลยแต่บางคนก็ยังไม่ตายนะ<ม>ก็ยังยื้อยุดนะจากมือของเขาเนะมื่อที่ที่แล้วก็มีข่าวืนะรอรถขนปลาท้องสามสี่ตันนะเกิดตุบัติเหตุรถก็เลยไปกองอยู่ข้างทางบอกว่าชาวบ้านที่แทนที่จะไปช่วยเหลือนะคนขับรถกลับช่วยกันขนปลากันไปคนละเหาะคนละถุงสองถุงคนละ กิโลสองกิโลโทรทัศน์เขาก็ไปถ่ายภาพเอาไว้ได้ <c oughs> ก็ไม่รู้สึกอายนะ <c oughs> ก็ยังขนกันไปต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> นะนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในหลายจังหวัด น, นะแต่ว่าภาพแบบนี้นไ ม, <c oughs> ไม่ไม่เห็นที่ไม่ค่อยได้เห็นที่ประเทศญี่ปุ่นเท่าไหรนะ่คนก็ชื่นชมกันมากว่าโอ้แม้กระทั่งการการไปรับความช่วยเหลือมีการแจกข้าวแจก น้ำผู้คนก็เข้าคิวกันเป็นระเบียบไม่มีการแย่งแซงคิวกันอันนี้ก็เรียกว่ า, าภัยพิบัติก็จริงแต่ว่าใจยังไม่ถึงกับวิบัตินะยังมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันมีก็มีคนเขาเล่าว่านี่อพอเกิดคว า, ามตื่ดร้อนขึ้นมาร้านค้าต่างๆที่ไม่ประสบภัยพิบัติเขาก็เปิดร้าน แล้วเขาก็เอาของมาแจกเอาขนมปังเอาอาหารมาแจกคนที่เดือดร้อนหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาคือวันแรกเนี่ยตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแม้กระทั่งในโตกเกียวหรือในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันก็ไฟฟ้าก็ดับคนนี่กลับบ้านไม่ได้เพราะว่ารถไฟฟ้ารถไฟไม่ทำงานมองคนก็ต้องเดินกลับบ้านไม่รู้จะกินอะไร ก็มีร้านค้าเนี่ยเขาก็เปิดนะแจกนะเอาของมาแจกถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยหรือที่เมืองไทยก็จะขึ้นราคานะเพราะว่ามันได้โอกาสแล้วเนี่ยนะยังไงคนยังไงก็ต้องซื้อน้ําเอ่ยอาหารเน่ยแต่นี่เขาเอาของมาแจกนะบางคนที่ต้องนอนไม่มีที่ไปนะต้องนอนนะเพราะบ้านอยู่ไกลกลับบ้านไม่ได้เลยจะนอนที่ไหนโรงแรมก็เต็มต้องนอนข้างทางทางถนน ก็มีพวกจรจัดเนี่ยพวกละโฮมเลสนะพวกไม่มีบ้านเขาก็ช่วยนะยเขาก็อุตส่าห์เอาเอ า, เอาพวกที่เป็นพวกยากจนคือไม่มีบ้านเขาก็อยู่กันแบบเอาเอากระดาษแข็งเนี่ยมามาก่อให้เป็นคล้ายๆเป็ น, เ ป, นเป็นเพิงเป็นเต็นต์นะนะก็อุตส่าห์เอาเจียดเอากระดาษแข็งเนี่ยมาแบ่งให้กับคนที่ไม่มีที่นอนให้เขาได้นอนเพราะมันหนาวมากนะ มีนาช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นยังหนาวอยู่เนะี่ยเราก็เห็นความเอื้อเฟื้อนะความเอื้อเฟื้อของผู้คนเอาอาหารมาแจกเอาเอาของมาบริการไม่ได้ช่วยโอกาส ต, ต่างๆมันก็ทำให้ความทุกเนี่ยบรนเทาเบาบ า, บางไปได้หรือว่าอาจจะรู้สึกเกิดความชุ่มชื่นใจได้ซ้ำนะ มีพนัก ง, งานรถไฟคนหนึ่งเขาก็ประทับใจเด็กมากเด็กก็เด็กมาขอบคุณเขาเด็กนักเรียนมาขอบคุณเขาว่าขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ทำงานหนักทั้งทั้งคืนนะเพื่อช่วยให้คนได้ได้โอกาสกลับบ้านเด็กก็มาขอบคุณคนขับก็ประทับใจก็ก็ถึงกับน้ำตาคลออันนี้คือถึงแม้ว่าคนเราเนี่ยแม้ว่าจะประสบภัยพิบัติแค่ไหนแต่ว่า ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลกันเนี่ยนะมันก็ช่วยผ่อนล้าให้กลายเป็นเบาและยังเกิดความสุขขึ้นมาด้วยเกิดความสุขในเนื่องจากประทับใจในน้ำใจในความดีงามแต่ถ้าว่าใจวิบัติแล้วเนี่ยนะมันก็ยิ่งทำให้สาการเลวร้วายมากขึ้นถึงแม้ไม่เกิดภัยพิบัติเลยแต่ถ้าคนใจวิบัติแล้วเนี่ยมันก็เลวร้วายเหมือนกับนรก อย่างที่พูดเมื่อกี้ยกตัวอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดภัยพิบัติอะไรแต่ว่าเพียงแค่ประสบอุปัติเหตุนะแต่ว่าผู้คนแทนที่จะช่วยกันก็กลับมาลุมมาถึงกลับมาแย่งนะทรัพย์สมบัติของเขาของคนที่ประสบอุปัติเหตุนี่เรียกว่าใจวิบัตนะิใจวิบัติด้วยความโลภนะเห็นแก่ตัวนะคนเรา วิบัติเนี่ยใจวิบัติมันด้วยหลายสาเหตุนะนอกจากความโลภแล้วก็ความโกรธนี่ก็ทำให้จิตใจวิบัติได้เพราะคนเราเมื่อโกรธเกลียกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะทำร้ายกันนะแม้กระทั่งระหว่างสามีภรรยานะก็สามารถทำร้ายกันได้เมื่อใจวิบัติทั้งๆที่ก็มีกินมีใช้ไม่ได้ประสบภยัยวิบัติอะไรเลย มีกินมีใช้มีความสะดวกสบายแต่ว่าพอมีความโกรธเกียดกันแล้วก็สามารถทำร้ายกันได้สามีฆ่าภรรยาภรรยาฆ่าสามีด้วยความหึงหวงด้วยความเจ็บใจถูกด่าถูกว่าหรือว่าพี่ก็ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่นะด้วยความโกรธและความโกรธก็มักจะอาจจะมาจากเรื่องของการแย่งชิงมรดก<ม>ก็ความโลภนั่นแหละ โลภแล้วไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเสียเปรียบนะได้น้อยกว่าก็ไม่ยอมก็ทาให้เกิดความโกรธก็ทํ า, าร้ายกันฆ่ากันนืคนเราเนี่ยทุกวันนี้เราต่างเราพากันกลัวภัยพิบัตินะเรากลัวภัยพิบัติจนตื่นตนตกตกใจแต่เราลืมมองไปว่าไอ้ที่มันน่ากลัวกันนั้นเนี่ยคือใจวิบัติ ถ้าใจวิบัติแล้วแม้ว่าจะอยู่กลางท่ามกลางกองเงินกองทองนะมีความสุขมีความสบายแค่ไหนเนี่ยมันก็หาความสุขไม่ได้อนะัตอมาเพิ่งกลับมาจากประเทศอินเดียนะประเทศอินเดียเนี่ยรนะาชวงศ์สุดท้ายเนี่ยของของอินเดียก่อนที่อังกฤษจะมาปกครองเนี่ยก็เรียกลาชวงโมกุลเป็นอิสลาม นะมาจากทางเอเชียตะวันออกกลางคือทางเหนือของอินเดียเถเลยอัฟกานิสถานเข้ามาอีกรานะชวงศ์นี้ก็ครองราช ก, กันเกือบ300รปีหรือมากกว่า น, นั้นก็มีกษัตริย์ที่เด่นเด่ น, ด, น, ด, นดังๆมีความสามารถเยอะนะอย่างเช่นพระเจ้าอักบานีนะ่ได้เชื่อเป็นมหาราชแต่ว่าราชวงศ์นี้เนี่ยก็ไม่ก็ไม่ต่างจาก ราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งทั้งหลายในประเทศที่เป็นมหามนาจนะก็คือว่าพอมีอำนาจขึ้นมาแล้วเนี่ยในที่สุดก็ถูกลูกเนี่ยนะแย่งชิงอำนาจแย่งชิงราชบัลลังกนะ์ลูกนี่ก็ก่อการกรบฏบางทีก็จับพ่อมาขังหรือว่าฆ่าราชวงศ์โกุลนี่ประมาณสัก สามสี่เราชงติดติ ก, ต ก, ต ก, กันเลยนะที่พ่อเนี่ยต้องทะเลาะกับลูกแล้วก็ลูกก็ก่อกันยึดอำนาจสาเร็จนะอักบานี่ก็โดนลูกเนี่ยกาะการกรบฏนะดีที่ไม่ตายตัวเองตายซะก่อนเพราะลูกก็เลยขึ้นคลองราดพอลูกขึ้นคลองราดประกว่าลูกของตัวเองเนี่ยก็ก่อการกรบฏยึดอำนาจอีกนะแล้วก็คนต่อมาพอได้พอลูกได้ขึ้นคลองราด ลูกของตัวเเนี่ยก็กบฏอีกนะเป็นอย่างนี้สามสี่ทอดนะแล้วก็คนนึงก็คือผู้สร้างทัชมาฮาลทัชมาฮาลนี้ก็สร้างโดยชาชาานชาชานนี้ก็กบฏนะยึดอำนาจจากพ่อเสร็จแล้วก็กรรมตามสนองลูกคือเอารองเซฟก็ยึดอำนาจจับพ่อมาขังนะแล้วก็ตายอย่างทรมานพวกนี้ลงเอยกันแบบ แบบแบบเรื่องไม่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แม้กระทั่งพระเจ้าอักบานะอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าแม้ว่าจะร่ำรวยนะมั่งมียิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนใจวิบัติแล้วเนี่ยนะมันหาความสุขไม่ได้นะแล้วมันก็เป็นกับกับคนทุกระดับนะทุกสถานภาพนะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะกับพระราชามหากษัตริย์ แต่ว่าคนในระดับนี้ก็จะเจอปัญหานี้มากกว่าเพราะว่าอำนาจบา ร, รมีมันเป็นแรงดึงดูดใจให้คนให้คนในจิตใจวิบัติได้ง่ายนะเพราะว่าความโลภแล้วก็การอยู่กับอำนาจมันก็ทําให้เกิดจิตใจที่ก้าวร้าวนะคิดแต่จะใช้กําลังในการแกร้ปัญหาแม้กระทั่งกับพ่อกับแม่ก็ไม่ละเว้นแลบางทีพ่อก็ฆ่าลูกก็มีนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องธรรมดามากของราชวงศ์โมกุล ลรวก็ะชงจำนวนมากอันนี้เพราะใจวิบัตินะแม้จะอยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองเพ่นนินจินดามากมายก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าใจวิบัติ น, นี่คนเราไม่ค่อยมองไม่ค่อยตระหนักนะว่าสิ่งที่น่ากลัวกับภัยพิบัติเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันไม่อยู่ทีน่นอยู่ที่ใจของเราเพราะถ้าใจของเราเนี่ยมันวิบัติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขเวลาเรามีความโกรธเนี่ย เราไม่มีความสุขเลยและความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ไปทำร้ายคนอื่นเท่านั้นนะมันยังทาร้ายตัวเราเองด้วยความโกรธทำให้เกิดความดันทำให้เกิดโรคสารพัดและบางทีก็ทำให้เกิดเส้นสมองแตกเป็นอัมพาตอัมพาตด้วยมีคนหนึ่งเนี่ยเขาเขาวันหนึ่งเขาก็ได้โทรศัพท์ตอนเช้าขณะที่อยู่ที่บ้านว่าจากพี่ชายว่าแม่ไม่สบายแม่ไม่สบาย เขาก็เลยบอกพี่ชายว่าถ้าแม่ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลนะให้โทรมาบอกด้วยนะตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปทํางานแล้วสมัยนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแจ้งข่าวก็ต้องแจ้งไม่มาที่ไม่ไม่โทรศัพท์ที่บ้านก็ต้องโทรศัพท์มาที่ทํางานเขาก็รออยู่ที่ทํางานกลัวว่าถ้าแม่อาการหนักเนี่ยถ้าแม่อาการหนักก็รอรอเฝ้าโทรศัพท์จากพี่ชายถ้าพี่ชายโทรมาก็แสดงว่าแม่อาการหนักจริงๆต้องเข้าโรงพยาบาล ไอ้หล่อนที่เขารอเนี่ยก็ไม่เห็นมิก็ไม่เห็นพี่ชายโทรมาเสร็จแล้วเขาก็มีธุระไปข้างนอกก็เลยฝากบอกฝากบอกเพื่อนว่าถ้าพี่ชายโทรมาให้บอกด้วยนะเขาก็ออกไปข้างนอกเขาไปสักชั่วโมงหนึ่งกลับมาเพื่อนนี่ก็เพื่อนมันก็ไม่รู้การละเทสะนะก็เลยเพื่อนก็หลอกหลอกเขาว่าเมื่อกี้เนี่ยนะพี่ชายเพิ่งโทรมาเอง พอเขาได้ยินว่าพี่ชายเพิ่งโทรมาเนี่ยเขาก็ตกใจนะเพราะว่านั่นหมายความว่าแม่ป่วยหนักถึงเข้าโรงพยาบาลเขาตกใจม า, จากจนทระทั่งเขาช็อกไปเลยให้เพื่อนเนี่ยก็คิดว่าจะล้อเล่นเล่นปรากฏว่าเจอแบบนี้เขาก็เสียใจส่วนเจ้าตัวเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลนะเพราะว่าช็อกหนักไปเลยก็พอฟื้นขึ้นมาได้นะ แล้วก็รู้ความจริงจากเพื่อนุงงานว่าเพื่อนุงงานคนอื่นนัว่าถูกเพื่อนถูกเพื่อนเนี่ยคนเนี่ยเขาล้อเขาหลอกแกก็โกรธแกไม่พอใจแล้วก็บังเอิญนะเพื่อนคนที่ไปหลอกเขาเนี่ยไปล้อเขาเนี่ยก็มาเยี่ยมพอดีแล้วก็มาเยี่ยมเนี่ย<พ>คือพอเห็นหน้าเพื่อนคนนั้นเนี่ย<ล>เาก็เกิดความคุกกลุ่นแล้วแล้วยิ่งโกรธมากขึ้นเมื่อเพื่อนบอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ เขาโกรธมากเลยนะว่าเนี่ยเป็นพ่อเมืองอ่ะเนี่ยทาให้กูเป็นอย่างนี้แล้วยังมีหน้ามามามาเอ่ยปากขอความชื่อ เ, อ, เอ่ยปากขอความชื่อเลย อ, อีกก็โกรธมากนะโกรธมากจนคราวเนี้ยเส้นสมอ ง, สมองเส้นหลอในสมองแตกเลยนะเพราะความโกรธเพื่อนบอกว่าคราวนี้เป็นอัมมาพึกไปเลยถามว่าใครใครทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นอัมมาพึกนะมันไม่ใช่เพื่อนนะ แต่มันคือเจ้าตัวแนะเจ้าตัวที่มีความโกรธพอโกรธเขาแ ล, แล้วเนี่ยมันก็ทําร้ายตัวเองไอ้เนี่ยก็เรียกวิจิตวิบัติเหมือนกันนะความโกรธที่มันทําให้ใจนินวิบัติพอวิบัตแล้วเนี่ยมันก็ทําร้ายตัวเองด้วยคนเราจิตวิบัติใจวิบัติได้ก็เพราะความโลภความโกรธแล้วความหลงก็เหมือนกันความลืมตัวความลืมตัวความเผลอนี่ก็ทําให้เราใจงเราวิวิปริตผิดเพี้ยนได้นะ ลืมตัวแล้วก็ฟุ้งซ่านเนี่ยคนที่กลุ้ม อ, อกกลุ้มใจจนฆ่าตัวตายนี่ก็ถือว่าเป็นเพราะใจนี่ถูกครอบงำด้วยความหลงนะธรรมชาติคนเรานี่ก็ย่อมย่อมรักตัวนะย่อมรักตัวย่อมกลัวตายนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเรามีความกลุ้มออ ก, กลุ้มใจมากเนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจมันก็ปรุงแต่งไปสารพัดนะจนบางทีปรุงแต่งจนลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วทํางาน ก็คิดสั้นอารมณ์ชั่ววูบทำให้โดดลงจากตึกบ้างทําให้โดดลงจากสะพานบ้างนะทำให้วิ่งไปให้รถชนบ้างนะหรือว่าบางทีก็วางแผนนะอุตส่าห์ไปหาซื้อปืนมายิงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นเนพราะใจวิบัตินะเสร็จแล้วก็ใครเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนเองแล้วก็นําพาให้ญาติพี่น้องเดือดร้อนด้วยความหลง ก็ทาให้ลืมตัวและลืมตัวก็ทําให้ปรุงแต่งเสร็จแล้วก็ทําร้ายตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราต้องระมัดระวังนะนะเราอย่าไปอย่าอย่าไปกลัวตื่นตะหนกภัยพิบัติจนกระทั่งลืมมองข้ามอันตรายที่ยิ่งกว่านั้นนะคือใจวิบัตินะซึ่งมันไม่ได้อยู่ไหนเลยมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละนะ้ใจที่มันควรจะ เป็นควรที่จะนําพาเราไปสู่ความสุขนะแต่ว่ากลับกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเรานะไม่มีศัตรูอะไรไม่มีอะไรที่น่ากลัวมากเท่ากับจิตใจของเรานะไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเราได้มากกับจิตใจของเราอันนี้พระเจ้าตรัสไว้นะท่านตรัสไว้ว่าเนี่ย ศัตรูทำร้ายศัตรูด้วยกันเนี่ยก็ยังไม่รุนแรงไม่ร้ายกาดเท่ากับใจที่วางไว้ผิดนะนนใจที่วางไว้ผิดหรือใจที่ที่ที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกทำเนี่ยนะหรือที่อามายเรียกว่าใจที่วิตดิดเนี่ยมันสามารถที่จะทำร้ายหรือสร้างความฉิบหายได้ยิ่งกว่าที่โจรกับโจรนี่ทําร้ายกันนะ โจรทำร้ายเราก็ยังไม่หนักหนาเท่ากับใจของเราเองนะเพราะมันสามารถจะทำร้ายได้ยิ่งกว่าที่โจรทำร้ายเราซะอีกบางทีโจรเข า, อ า, าอาจจะเอาแค่ทรัพย์สินเงินทองเอาเพชรนินจินดาไปแต่เขาไม่สามารถจะขโมยหรือแย่งชิงความสุขไปจากเราได้ นะโจนนี่ไม่สามารถจะแย่งชิงความสุขไปจากเราได้นะเขาเอาอย่างอื่นไปได้ซึ่งรวนแต่เป็นของนอกกายแต่ความสุขในใจเราเนี่ยมันจะสูญสลายหายไปนี่ <ไป S 1> ก็เพราะใจของเรานี่แหละนะคนด่าว่าเราไม่ทำให้เราทุกข์หรอกถ้ า, าว่าใจเราเนี่ไม่เปิดให้ใ ห, ใ, หให้คำด่าว่านั้นเนี่ยมันมาทำร้ายเรา แต่เป็นเพราะใจระวางไว้ไม่ถูกนะคำพูดเพียงเล็กๆน้อยๆนีน่ก็สามารถจะทำให้เราคลุ้มคลั่งทำให้เร า, เ, าเป็นบ้าหรือทาให้เรารุ่ม อ, อกกุ้มใจจนทาร้ายตัวเองได้นะหลายคนที่ค่าตัวตาเนี่ยเขาเป็นเพราะเขาเจอคำพูดที่ไม่ถูกใจเพียงแค่ไม่ไม่กีประโยชซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นคาพูดที่รุนแรงเช่นอาจจะเป็นคำพูดว่า ไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือให้นะหรือว่าแม่ไม่ซื้อให้หรือแม่ จ, จะบอกว่าไม่ขยันเรียน้ต่อไปก็จ ะ, ะตดถางปล่อยวัดคำพูดแค่นี้เนี่ยสามารถทำให้คนบางคนเนี่ยเขาทำร้ายตัวเองได้ฆ่าตัวตายได้ถามว่าเป็นเป็นเพราะคพูดมาไลายแรงหรือเปล่ามันก็ไม่ได้รายแรง แต่ใจที่วางไว้ผิดอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะใจวิบัตินะนัะ้ในใจของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำร้ายเราได้มากกว่าที่อะไรต่ออะไ ร, ออะไรจะทำได้สอีกนะหลายคนเนี่ยอยู่ยเจอภัยพิบัตินะจมอยู่ในกองอิดนะแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะร<ะ>ักษาใจให้ปกติได้ ที่ตอนเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลานกับายายเนี่ยสองคนเนี่ยถูกฝังอยู่ใต้กองตึกเนี่ยซากปรักหักพังเนี่ยอยู่เก้าวันเนี่เก้าวันนี่ก็นานนะวันที่เจ็ดวันที่แปดนี่ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีความหวังเลย ว, ว่าจะจ ะ, จะมีใครรอดมาได้แต่วันที่เก้าเนี่ยบอกกัว่าอ่าก็มี ก็ไปเจอสองคนนี้แหละนะคือหลานหลานนี่ออกมาก่อนแล้วก็ยายก็ตามมาหลานนี่พอเห็นเจ้าหน้าที่กูชีนเนี่ยโอ้ยร้องห่มร้องไห้ดีใจนะหลานเนี่ยอายุขวบแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไม่มีแรงต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกว่าหามเปลขึ้นในดีคอปเตอร์แต่ว่ายายใน80นะ เดินออกมานี่แกไม่ตื่นตกใจเลยนะแกเดินออกมาได้สบายๆนะแล้วก็ปรากว่ายัางสามารถจะเดินออกมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เปลอะไรทั้งสิน้นนะยายนี่80ลูกนี่ส่วนหลานนี่16นะอาการที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดที่มันแตกต่างเนี่ยมันแตคือร่างกายก็แตกต่างกันนะหลานนี่ก็น่าจะแข็งแรงกว่ายายรากว่าต้องใช้ต้องหามเปลมา แต่ยายเนี่ยแปแล้วยังเดินมาได้เฉยเลยมันแตกต่างกับที่ไหนจริงๆมันแตกต่างกับที่ใจนะใจเนี่ยยายยายยาของยายเนี่ยแกเรียก ว, ว่าสงบนะสงบตั้งแต่อยู่ในนั้นแล้วละ่ะสงบเพราะอาจจะมีความหวังสงบเพราะพร้อมจะตายก็ได้นะแล้วแต่แต่ใจแกสงบเพราะนั้นเนี่ยพอเราแกเจอคณะกู้ชีพแกก็เลยไม่ได้ดีอกดีใจอะไรมากแล้วแกเพราะความที่ใจแกสงบเนี่ยแกก็เลย อาการก็ไม่สุดอาการทางกายก็ไม่สุดทั้งๆที่ไม่ค่อยมีอะไรจะกินเท่าไหร่ก็ยังเดินออกมาได้นะหรือที่เราเคยได้ข่าวเนี่ยที่มีการมีเหมืองถล่มในชิลีเมื่ อ, อห้าหกเดือนก่อนเนี่ยจริงๆมันเกือบปีแล้วแหะนะประมาณเดือนสิงหาอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ3เดือนอยู่ใต้ดินนะหารระ่างกันสูงอยู่ใต้ดินลึกประมาณ600เมตร6เมตรนี่มัน ไม่มีตึกไหนในโลกนี้ที่สูงเท่า6กรเมตรนะอย่างมากก็500ร้อยเศษเแต่ว่านี่นี่เขาอยู่ลึกมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะรอดรอดมาได้เพราะอะไรเพราะเขาช่วยกันดูแลจิตใจของตัวเองแล้วก็ช่วยดูแลจิตใจของกันและกันเพราะฉนั้นแมงเขาจะเจอภัยวิบัติเนี่ยแต่ว่าพอใจไม่วิบัติไปด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาใจรักษาชีวิตให้สงบได้ อันนี้สำคัญมากนะเรื่องการรักษาใจเนี่ยถ้าเราหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาใจดูแลประครับประคองรักษาใจไม่ให้พิบัติเราจะไม่กลัวภัยพิบัตินะเราจะไม่กลัวภัยพิบัติเราไม่กลัวแล้วเราก็ไม่กังวลด้วยแต่ไม่ใช่ว่าประมาทนะก็ไม่ประมาทก็เตรียมตัวเตรียมใจแต่ว่าเราก็รู้ว่าของพ่งนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในอํานาจของเรา และบางเรื่องบางราวก็พยากรณ์ไม่ได้เช่นแผ่นดินไหวก็พยากรณ์ไม่ได้สึนามินี่ยังพอพยากรณ์ได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงพอแผ่นดินไหวปั๊บนี่เราก็พอจะคํานวณได้ว่าสึนามิจะมาถึงเมื่อไหร่แต่แผ่นดินไหวนี่พยากรณ์ไม่ได้นะแต่ว่าแม้จะพยากรณ์ไม่ได้ก็ไม่ตื่นตกใจเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดานะเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าหากว่าใจสงบนะใจไม่วิบัติแล้วเนี่ยเราก็ไม่กลัวนะ แล้วก็พร้อมนะไม่ว่ามันจะมาในท่าไหนไม่จำเป็นต้องเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติก็ได้ภัยพิบัติที่เกิดจากน้ํามือมนุษย์เช่นไฟไหม้นะก็ยังสามารถรักษาใจปกติไม่อกสั่นขวัญแขวนนะหรือแม้แต่เวลาที่ไม่ใช่เป็นภัยพิบัติใดๆแต่ว่าเป็นเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกคนเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความพัดภาคสูญเสียก็ส า, ส า, ส า, สามารถรักษาใจได้ แล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการชีวิต ท, ที่สงบรม่มรื่นนะมันไม่ต้องมันไม่ต้องคอยระแวดระวังภัยพิบัติเสมอไปอันนั้นก็ควรทําอยู่แต่ว่ามันไม่มีทางป้องกันได้ตลอดแต่ว่าสิ่งที่เราควรทําก็คือการดูแลรักษาใจของเราให้ดีอย่าให้ความโลภความโกรธความรู้มันครอบงํอยาให้ความกรธความเกลียดมันทําให้จิตของเราวิปนะลิตผิดเพี้ยนนะรักษาใจของเรา แ้วถ้าราาักษาใจเราดีๆเนี่ยไอ้ใจที่มันจะเป็นศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรได้นะเมื่อกี้บอกแล้วว่าใจเนี่ยมันสามารถจะทําร้ายเราได้มากแต่ในทางตรงข้ามถ้าพูดถึงเรื่องของอสิ่งประเสริฐสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้แล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นจากใจของเราคนอื่นทําให้ไม่ได้เท่าใจของเรานะพุทธเจ้าตรัสว่าแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ให้สิ่งพ่อแม่ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่เนี่ยก็ยังไม่สามารถเทียบเท่ากับสิ่งประเสริฐที่เกิดขึ้นจากใจที่วังไว้ถูกนะถ้าใจระวังไว้เป็นนะนะก็จะได้รับสิ่งดีๆสิ่งประเสริฐที่แม้กระทั่งพ่อแม่ก็ไม่สามารถจะทำให้ได้นะเช่นความสุขใจความสุขความสุขกายนี่พ่อแม่ทำให้ได้หาให้ได้หาเงินหาทองหาหาบ้านนะหา อ่าสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายนี่พ่อแม่หายให้ได้แต่ความสุขใจนี่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเราจริงๆเลยนะไม่ไม่อยู่ที่คนอื่นด้วยไม่ได้อยู่ที่คนรักไม่ได้อยู่ที่ลูกด้วยเพราะว่าอ่าเาจะพูดเพราะกับเราพูดดีกับเราทำดีกับเราแต่ถ้าใจเราเนี่ยไม่ได้ชื่นชมไม่ได้ยินดีในการกระทำของเขาเราก็ไม่มีความสุขนะเราก็เจอคนจำนวนมากที่แม้จะมีแม้จะได้รับคาพูดดีๆจากคนรอบข้าง จากครูจากเพื่อนจากพ่อแม่จากคนรักแต่เขาก็ไม่มีความสุขนะเพราะวางเขาวางใจไม่เป็นคอยจะคิดว่าเขาน่าจะได้แฟนที่ดีกว่านี้หรือว่าลูกเขาน่าจะเก่งกว่านี้นะหรือพ่อแม่น่าจะดีกับเขาเยอมากกว่านี้หรือดีเหมือนกับพ่อแม่คนอื่นบ้างพอคิดแบบนี้เขามันก็ไม่มีความสุขนะแม้ว่าจะได้รับการปฏิบัติที่ดีแค่ไหนก็ตามจากคนอื่นเพราะใจที่วางไม่ไ ม, ไ, มไม่ถูก แต่ถ้าใจวางไว้ถูกแล้วเนี่ยนะนะก็สามารถที่มีความสุขได้ในทุกสถานะในทุกเวลาแม้เจ็บป่วยก็สุขได้นะแม้จ ะ, ะประสบความผลาพาสูญเสียก็ยังมีความสุขได้ถูกดา่าถูกตำหนิก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะหรือแม้ทั้งเจอความตายก็ไม่หวาดกลัวไม่ทิตกไม่กังวลจวงกระทั่งการที่เข้าถึงความสุขที่ประเสริฐที่สุดคือวิมุตติสุขสุขที่เกิดจากการที่ ไม่มีสิ่งใดจะมากระทบให้ให้ใ ห, ให้กระเทือนได้ก็คือนิพพานเนี่ยนิพพานนี่ก็ขึ้นจากใจนี่เองพ่อแม่ก็ให้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ให้ไม่ได้แต่ใจนี่แหละนะีสามารถจะนําพาเราให้เข้าถึงพันนิพพานที่เป็นสุขอย่างยิ่งได้ดงนั้นใจนี่สามารถจะเป็นมิติประเสริฐที่สุด ข, ของเราได้ถ้าหากว่าเราดูแลเอาใจใส่แต่ถ้าเราไม่ดูแลใจใส่แล้วใจนี่แหละก็จะกลายเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุด ศนะัตรูคนอื่นศัตรูนอกกายเนี่ยเขาก็สามารถจะลังควาเราได้เป็นบางเวลาใช่ไหมเป็นบางเวลาเท่านั้นแหละแต่ถ้าใจาเราเป็นศัตรูแล้วนี่มันลังควาเราตลอดเวลาเลยนะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเห็นภาพหลอนนะได้ยินเสียงแววหูแววนะอยู่รอบอยู่ที่สบายสบายก็ไม่มีความสุขถ้าใจนี่มันเป็นปฏิปักษ์เป็นเป็นศัตรูกับเรา ทั้มดนี้มันไมไ่เป็นเรื่องของกรรมไม่ได้ไมไ่เป็นเรื่องของโชคชะตานะมันเป็นเรื่องของของการกระทําของเราการกระทำคือกรรมกรรมในความหมายที่ว่าวถ้าเราดูแลจิตใจนี้ก็จะเป็นมิตรกับเราได้ถ้าเราไม่ดูแลเอาใจใส่เอาแต่สนใจแต่ทรัพย์สินเงินทองสนใจแต่แต่การเที่ยวการสนุกสนานหรือว่ า, าการสะสมทรัพย์สมบัติต่างๆ มัวแต่หาเงินหาทองแต่ไม่สนใจดูแลจิตใจเลยเนี่ยจิตใจนี้ก็จะกลับกลายเป็นมิตรกลับกลายเป็นศัตรูของเราและสามารถทำให้เราเนี่ยดูอย่างไม่มีความสุขได้นะเราะนั้นอยากจะให้เราให้ความสำคัญนะในในในช่วงที่ผู้คนกาลังตื่นตระหนกเรื่องภัยพิบัติเราก็ไม่ประมาทนะแต่ว่าอย่าอย่าไปหลงเข้าใจาว่านั่นคืออันตรายที่ร้ายแรที่สุด อย่าลืมแปลว่าสิ่งที่ลายก่อนนั้นก็คือใจที่วิบัติเราต้องช่วยกันทำให้ใจของเราเนี่ยหันกลับมาเป็นสมบัติของเราแทนที่จะเป็นวิบัติเป็นสมบัตินะอันนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นความความประเสริฐจะทำให้เราได้ได้พบกับความประเสริฐสูงสุดเท่าที่ชีวิตจะพึงได้อะเราก็พอสมกับเวลาแล้วก็กลับผัดพร้อมกัน